สิขาบทที่หเรื่องพระหลายรูป631สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยูนะ่ณเพศการามฤคธายวันเขตเมืองเขตเมืองสุงสุมันคิระแควนพัก ค, คะครั้งนั้นภิกษุใชยมือเปื่อนอาหารจับภาชนะน้ำดื่มที่ปราศาสโกกนตพวกชาวบ้านตำหนีประนามโพนธนาว่า ชไนพระสมณะเชื้อสายสกจุบุตรจึงใช้มือเพื่ออาหารจับภาชนะน้ำดื่มเหมือนเครื่องหัดผู้บริโภคการเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิพระนามโพนทนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิพระนามพลทนาว่าชไนภิกษุจึงใช้มือเพื่ออาหารจับภาชนะน้ำดื่มเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ศิษยาบทวิพังพิสูจไม่พึงจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเพื่ออาหารภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเพื่ออาหารต้องอาบัติทุกกฎอณาปฏิวาณฑพิสูุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นพิสูจไม่จงใจ2อพิสูจไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิสูจรับประเคีนไว้เพราะคิดจะล้างเองหรือใช้ผู้อื่นล้าง6กพิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง เจ็ดภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นมัญญะสิกขาบทที่ห้าจบ